มีเสียงใช่ไห ม, มนะคือคืออย่างนี้นะครับเด็กๆเกนี่ยคือเราคุยภาษาเขาเข้าใจกันเราบอกว่าให้นั่งเป็นระเบียบและให้ทีละคนทีละคนจะได้ไม่มีปัญหาก็ผมก็สามารถรักษาเด็กพวกนี้ดูแลคุมได้อยู่ก็ให้แต่ละคนแต่ละคนเด็กก็พอใจสบายใจไม่มีการแย่งชิงหรืออะไรตัวอะไรก็ไปที่ไหนเนี่ยผมก็อย่างไปที่ส ไปที่สวัสดีคื้ถามเอปอป็คนละอาจารย์ถามได้เออเอไปที่วัดบุภผารามนะครับซึ่งเรามาดูเนี่ยคือผมก็เศร้ามากนะครับเพราะว่าท่านวิสาขา สร้างตึกองอาคารสองชันชั้นละหาร้อยห้องแล้วก็ตอนนี้เหลือที่นิดเดียวซึ่งทำไมผมเศร้ามากจริงๆแต่ก็มีโอกาสเพราะว่าผ้าที่ดูแลเนี่ยเขามาจากบังละเทศแต่เขาพูดภาษาอินเดียได้ผมก็พยายามนะว่าคุยกับเขาภาษาอินเดียบอกว่าทำยังไงเนี่ยสถานที่นี้เราได้คืนทั้งหมดก็เขาบอกเขาทำอยู่ แล้อย่างมีเสาของพระเจ้าพระเจ้าอโศกมาล่าอยู่นะครับแต่พวกชาวฮินดูที่หมู่บ้านเนี่ยเขามาเปลี่ยนเป็นเซวาลิงซึ่งไม่ถูกต้องอผมเสียใจผมก็บอกเขาให้นี่ต้องรีบจัดการแล้วก็อีกอย่างผมก็เล่าพระจารย์ว่าถ้าเอา่ยพื้นที่เนี่ยเราสามารถเอาขึนได้ทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านด้วย เพราะว่าเป็นอันธิของรัฐบาลที่ว่าไปจัดสรรให้เขาไปอยู่ที่อื่นเราสา ม, มารถเอาได้เพราะว่าเป็นที่ประวัติศาสตร์เป็นที่ของพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านมาอยู่ในวัดนี้หกพรรษานะครับก็เรื่องนี้ทำให้ผมไ อ, อเรื่องออของบุญน่ะวิสาขาวิสาขาที่ถวาย ให้ให้สร้างเป็นวัดบุปผารามที่วัดพรเจ้ า, าแต่หปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่ า, าท่านไม่ได้มาวันอื่นท่านก็เวลาอื่นเนี่ยท่านก็ไปมาไปวัดเชตวันด้วยมาวัดที่นี่ด้วย mm hmm. ก็เวลานี้ผมก็คิดว่าเรื่องนี้อ่ ผมจะพยายามวิ่งเต่ให้ที่ตรงนี้เนี่ยให้ได้คืนวาเพราะว่าศาสนาอื่นเนี่ยยังศาสนาฮินดูศาสนาซิกเขาก็ได้ที่ไปแล้วทางภระวสสาเนี่ยเขาก็ฟ้องศาลศาลให้ครับแล้วก็ไอ้เรื่องนี้ต้องเดินเดินเดินกับศาลไม่ใช่ว่าเดินกับประชาชนยุ่งกับใครเพราะว่าศาลยังยังที่เมืองอยุธยานะครับ ที่เราไปวันศีกลางทางมันจะมีเมืองอโยธยาซึ่งเป็นที่เกิดของพระรามนะครับสมัยอิสลามเข้ามาใช่ไหมครับมาปกครองอินเดียอยู่หนึ่งพปีท่านก็พูดถึงอะไรอยู่นะ้อาจะลืมล้วัพระรามเออวั <c oughs> พระเออใช่อโยธยาซึ่งเป็นที่ประสูติของพระ พระรามนะครับพวกอิสลามเนี่ยเขารื้อออกรืออ้อแล้วก็สร้างเป็นสุราวนะครับแล้วก็พอมาได้เอกราชเนี่ยชาวอินเดียชาวอินทุเนี่ยเขาตื่นเขาก็เลยไปทุกไอ้สุราวนี่แต่คือเขาบอกนี่ที่ของพระของพระรามนะครับเลยคดีนี้ไปถึงศาล สารสูสงสุดเนี่ยตัดสินว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้างหนึ่งเป็นที่บูชาของพระของชาวฮินดูอีกที่หนึ่งก็เป็นที่บูชาของชาวอิสราเก็เลยเรื่องนี้ก็จบตรงนี้ส่วนของเราเนี่ยผมว่าทาวิ่งเต้นทางสารเนี่ยสา ม, มารถทําได้แต่ก็ต้องมียังกรมการศาสนาหรือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องดูแลด้วย ต้องผ่านเอกสารนอะไรลแล้วก็าทางาทางในคณะสงฆ์ก็ต้องทําเรื่องเข้าไปด้วยแล้วก็ประเทศอื่นก็ต้องเข้าร่วมด้วยเพราะว่าให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์ให้รวมศาสนาพุทธเนี่ยที่ประเทศอ่นนัเถืออยู่เนี่ยให้เข้ามาร่วมแล้วก็พบว่าทําได้ที่ทั้งที่ทั้งหมดตรงนี้เอาขึ้นได้หมดเลยไม่ใช่แค่ สิลิงแค่สาวผมผมจะสงง่งเับทั้งหมดเลยครับให้จะทำอะไรอกเลยอ่าใครต่อใครต่อตอ่าดรที่พาวดีลองเล่าให้คณะที่เขาผู้ศึกษาว่าทำฟังหน่อยไปอินเดียอีกครั้งแล้วค่ครั้งนี้ไปแล้วได้อะไรนันกมาตรการ อาจารย์เจ้าค่ะเล่าสั้นๆแล้วกันนะคะก็ไปสองครั้งค่ะไปครั้งนี้ก็ได้พบกัญยาณมิตรเยอะแยะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมจเจริญธรรมแล้วก็ได้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในพระพุทธคุณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้เวลาอ่านหนังสือหรือฟังธรรมก็จะนึกเห็นภาพถึงสถานที่ต่างๆก็เกิดความเกิดความจะเรียกว่ากระจ่างก็มากกว่านั้นนะเจ้าคะ่ะก็เกิดความรู้สึกผูกพันหรือความรู้สึกว่าออนอกเหนือจากศรัทธานะเจ้าคะ่ะก็เป็น จะว่ายินดีสมมนัทคืออธิบายลำบากเป็นความใกล้ชิดว่าเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ขยันเปิดฟังธรรมะแล้วก็ธรรมะมากขึ้ น, นะคะ่ะแล้วก็กรู้สึกถึงบุญคุณบุคคลต่างๆที่ได้มีส่วน ที่จะทำนุบำรุงให้ได้มีโอกาสไปทุกทุกท่านเลยในที่นี้ก็คุณกิ่งการคณะผู้จัดแล้วก็อาจารย์รัตดาผู้สนับสนุนเพื <c oughs> ่อนรวมทีมคือในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกประทับใจในผู้มีส่วนทุกท่านคุณเอกคุณนก คุณบุ ญ, บญชัยทุกทุกท่านรวมทั้งไม่ใช่รวมทั้งค่ะยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือพระอาจารย์ทุกท่านเจ้าค่ะทีนี้สิ่งที่ได้ติดมาก็มีหลายอย่างเจ้าค่ะคือในการไปในสถานที่หลายๆแห่งก็จะเหมือนกับประทับอยู่ในใจสักแห่งหนึ่งสองแห่งบางแห่งก็จําไม่ค่อยได้เจ้าค่ะแต่ว่า ต้องพยายามไปหารูปหาอะไรย้ำอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะเพราะว่าเที่ยวหลังนี้ไปหลายที่แล้วก็ไปจําได้ที่ที่เคยไปแล้วเมื่อเที่ยวก่อนโน้นชัดกว่าแต่ก็เที่ยวนี้ก็ได้จุดที่เข้าไปในใจได้ที่หนึ่งอ่ะเจ้าค่ะก็คือที่คันทากุดีคือหลังจากไปหลายๆที่แล้วก็พระอาจารย์ก็ ให้นึกน้อมถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านึกน้อมก็พยายามนึกแต่มันเป็นนึกก็นึกไม่เป็นพยายามนึกไปอะเจ้าค่ะจินตนาการแต่ไม่ได้ความรู้สึกเจ้าค่ะอยู่ดีๆก็พอไปหลายๆที่เฝ้าพยายามไปแล้วยังไม่ใช่หลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถึงที่หนึ่งก็เอ้ตรงนี้สบายใจมันโล่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พระอาจารย์จะพูด น้อมนำแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเองมันก็เป็นเกิดว่าใจมันรู้สึกโล่งๆมันก็ไม่ใช่ใจด้วยมันก็โล่งไปหมดจะเป็นอย่างไรก็จําได้ตรงนี้เจ้าค่ะแล้วก็จาบรรยากาศจําสภาพว่าตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ก็ไม่มีอนาบริเวณก็เลยเอาคำของพระอาจารย์ที่บอกจําตรงไหนได้ก็ก็คล้ายๆว่าปลุก สิ่งนั้นแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเ ป, นเป็นจุดที่เก็บเอาไว้ตลอดไปเรื่อยๆถึงแม้จะกลับไปแล้วอะไรก็เลยลองพยายามทบทวนตรงนั้นมาทุกๆวันเจ้าค่ะบางวันก็ลืมไปเหมือนกันถ้ารีบตื่นขึ้นมาแล้วรีบทำอะไรแต่พอกังวันหรือภาคอื่นก็จะน้อมนึกไปก็จะใช้ตรงนั้นเจ้าค่ะได้แล้วก็ หลังนิคผลกระทบจากการที่ได้ไปาตามสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็ไปแบบนึกน้อมอยากไปแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามีบุญก็ขอให้ได้ไปอย่างเงี้ดยดจ้ะก็ลุยลุยลุไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบได้ยืดเวลาการไป เพิ่มขึ้นอีกวันกว่าๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ว่าคุ้มเจ้าค่ะเพราะว่าไปถึงเมืองกุลุเควนกุลุที่เคยได้ยินได้ยินพอไปถึงที่ถึงแม้จะไม่เหลือซากอะไรที่เป็นในยุคพุทธกาลแต่ก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าถ้าอ่านหนังสือก็จะนึกผูกผูกโยงไปที่นั่นแล้วก็แล้วใจไปเลยว่าที่คนพูดถึงแล้วเรา นึกถึงว่าเป็นแดนที่เรานึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ค่ะก็นึกออกมากขึ้นก็แล้วก็เลยโชคดีที่ไปนึกออกตรงนั้นว่าตั๋วเครื่องบินได้มีแต้มเอาไว้เลยไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบิน <c oughs> เพราะว่าแต้มเหลือไว้เยอะแต่ก่อนหน้าจะไปก็นึกไม่ออกนะะก็เลยไปแล้วก็มีบุญหนุนนำส่งไปต่อไปได้เรื่อย แล้วก็นึกย้อนมาว่าคุณสุวรรณก็ช่วยสนับสนุนอะตัดสินใจไปก็ไปเลยเดี๋ยวค่อยไปจัดการกันข้างหน้าก็เป็นกำลังใจว่าไปไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะอาจจะเป็นว่าธรรมะพาให้ไปได้เรื่อยๆถ้าไม่ได้ก็ยอมรับถ้าได้ก็รู้สึกปลื้มใจประทับใจเจ้าค่ะแต่นี้ที่เล่ามาก็คงจะมีหลากหลาย แต่ขอสรุปก็แล้วกันนะเจ้าค่ะว่าเป็นสิ่งที่ดีเจ้าค่ะที่ได้สำหรับตัวเองก็ได้มีโอกาสไปก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้มานะเจ้าค่ะสรุปเช่นนี้แต่อยากจะขอโยงไปที่อาจารย์ละ ด, ดาว่าที่อาจารย์ล ด, ดามีประสบการณ์ไปมากกว่าแล้วถ้าไป เหมือนกับทริปนี้ที่พระอาจารย์จะสาธยายพระพุทธคุณแล้วก็สาธยายถึงพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการไปที่มีเวลาน้อยแต่ว่าได้เยี่ยมสถานที่อะค่ะว่าจะเกิดความแตกต่างไหมเพื่อจะได้เป็น ข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะว่าสําหรับโยมก็รู้สึกว่าถ้าไปแล้วได้เต็มๆอย่างเงี้ยก็แม้ไปเที่ยวหนึ่งก็คุ้มพอได้ไปอีกก็คุ้มกว่าอย่างเงี้ยจ้ะค่ะแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่ทําให้ตัวเองตัดสินใจว่าจะทําอะไรอะไรได้มั่นคงขึ้นจ้ะค่ะไม่ทราบจะเป็นการถามกันเองวราค่ะเพราะเพื่อน ก็เลยยังไม่เข้าใจคำถามมาถามใหม่อันนี้เพราะว่าไปครั้งที่สนะคะคือก็ดีทั้งสามครั้งครั้งแรกนี่เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเยอะมากสถานที่เยอะมากแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมในที่ที่เองเข้าใจนั่งสมาธิก็สิ่งที่ได้กลับมาครั้งแรกนั้นก็คือเราได้ไปแต่ความทราบสึ้นในพุทธคุณยังไม่เกิด นะคะยังไม่เกิดแต่รู้ว่าเราไปในเราไปในสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเราศรัทธาไปเช่นเดียวกันส่วนครั้งที่สองไปอยู่พุทธคยาสี่วันนะคะตอนนั้นเราก็ไปที่อื่นๆ น, นิดหน่อยนั่นก็ไม่ฟังเรื่องของพุทธคุณก็ไม่ไม่มากนัก <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะตามที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ครั้งนี้ที่ที่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ได้สั่งสมการเล่าเรียนนะคะ การเล่าเรียนมีส่วนในการที่เลยศึกษาเล่าเรียนก็จะคือรู้วิธีค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์สอนพูดเมื่อเช้านี้ว่าแม้จะมีข้อมูลเยอะอาจารย์ที่าดีเคยถามว่าติ๋มเรียนซะเยอะเนะี่ยมันเป็นยังไงคือแม้จะมีข้อมูลเยอะแต่ถ้าเอามาใช้ไม่เป็นข้อมูลก็คือข้อมูลแล้วหยิบเอามาเจริญเนี่ยไม่เป็นแต่คราวนี้คิดว่าพอเป็นยังไม่กล้าบอกว่าเป็น ว่าพอเป็นก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นชัดในการที่เราได้ขัดเกลาเพิ่มขึ้นเราเราได้ขัดเกลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเราคิดเราเองนะคะว่าอินทรีย์สังวรมีมากขึ้นที่ที่ที่เคยเข้าใจเพราะพราะทุกทีเคยเข้ากรรมาฐานสิบห้าวันก็ไปอินทรีย์สังวรสิบห้าวันเขบอกอาวันชุดท้ายออกจากกรรมาฐานแล้วกลับมาเป็นคนเดิมก็ช่างพูดแบบเดิมนะคะตอนนี้ก็ ก็มันก็มีอะไรเตือนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคยฝึกเรื่องของการตรึกหรือการพิจารณาแล้วก็สนใจที่จะไปดูว่าอยู่เล่มไหนหน้าไหนว่ายังไงแล้วก็นึกออกให้อ ย, อย่างที่อาจนิพพานดีบอกอ๋อตอนนี้พร ะ, พระเัชชะวันแล้วก็นึกว่าโอ้ตอนนี้เราก็ไปแล้วตรงนั้นเราก็ไปแล้วเราก็แบบจิตก็น้อมไปหรือวันพอเห็นแท่นวัชิระอาจอันนี้ต้องขอบคุณอาจา ร, รย์อี ท, ที่ถ่ายรูปมา พอเห็นปุ๊บเราก็ใจน้อมทั้งๆที่ไม่ได้เห็นข่าวนี้ไม่ได้เห็นแต่ตอนนี้ไปเห็นภาพอะคะใจก็น้อมไปแล้วก็รู้สึกว่าเราได้กราบแทบบาด菩าสดาจริงๆที่เราฝันไว้ว่าเราจะกราบแทบบาด菩萨สดาโดยที่เรายังไม่ต้องตายแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีบุญได้ไปกราบหรือเปล่าแต่ครั้งนี้รู้สึกเราได้ไปกราบแทบบาด菩าสดาจริงๆเหรนี่นะเราได้มาจริงๆแล้วนะนี่แล้วก็รู้สึกทุกแห่งก็จะเกิดปิติหมดทุกๆุจุดนะคะทุกๆที่ที่ไป เพราะว่าตั้งจิตไปก่อนไปล่วงหน้าไว้แล้วตั้งเจตนาล่วงหน้าจากบ้านไปแล้วอธิษฐานทุกวันเพราะกลัวปุชักมากๆนะคะอธิษฐานไปทุกวันก็คิดเอาไว้แค่นี้ดีนะคะเดี๋ยวท่านอื่นเผื่อจะมีอะไรก็ไม่คือพัาธนั่นก็คือไม่ใช่อีฐหินดินทรายที่ไปเห็นอันนี้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะคะท่นนี้คุณแม่ชีทองสุขท่านมีพระคุณมากกับงานครั้งนี้นะคะรวมทั้งคณะของท่าน ท่านเหนื่อยากมากเพราะได้คณะของท่านอาจารย์ดาเ้วไม่จทย์สักตัวฟังอย่างเดียวค่ะต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะไม่ชีท่านมีพระคุณมากค่ะค่เข อ, ขอโอกาสพระคุณเจ้าเจ้าค่ะจริงก็ไม่ได้เตรียมที่จะมาพูดคืออย่างนี้ค่ะรับ ถ้าพูดถึงรายละเอียดพวกเราคงได้ฟังมาหลายหลายท่านแล้วนะคะน่าจะครบถ้วนบริบูรณ์แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกของตัวเองก็คือว่าการได้ไปสังเวชนียาสถานทั้งสี่แห่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ปรบับรื้อนะคะเต็มกำลังบุญที่สุดเท่าที่คิดว่าจะสามารถเจริญกุศลได้ใน15วันนะคะ ทุกทุกสถานที่มีมีความหมายนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราไปแล้วเนี่ยมีผู้ขับเน้นทําให้เรารู้ว่าสถานที่นี้เนี่ยเราจะวางจิตยังไงเราจะดําเนินจิตอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงในการที่จะเข้าเฝ้าพราะบรมศาสดาโดยตรงนะคะล้วคิดว่าอย่างอื่นคงไม่มีอะไรและอีกประการหนึ่งการที่กุศลของคณะหรือแม้แต่ตัวผู้พูดเองเกิดขึ้นเนี่ย จริงๆแล้วต้องบอกว่าเกิดจากการขับเน้นของคณะครูบาอาจารย์นะคะทั้งท่านพระอาจารย์สมทบเองท่านท่านพระอาจารย์มหาอนาตเองแล้วก็หลายๆท่านท่านพระยงท่านพระจิระนะคะซึ่งทำให้พวกเราในทริปทั้งหมดเนี่ยนะคะไปใไในทางเดียวกันมีพื้นฐานในการที่จะ ทำกุศลเป็นไปในในเรื่องเดียวกันแล้วก็มองภาพต่างๆเนี่ยไปในทางเดียวกันส่วนในรายละเอียดเรื่องงานที่เราได้ไปทำนะคะทางคุณตุ้ยก็ได้ทำการบันทึกแล้วก็ หลายส่วนตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วคิดว่างานส่วนนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราชาวพุทธในอนาคตเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะพวกเราที่ที่นี่นะคะถ้าเคยได้ไปแล้วเนี่ยเราได้ฟังหลายๆท่านพูดว่าเขาน้อมจิตอย่างไรมีการเจริญกุศลอย่างไรแล้วหลายๆท่านยังทำไม่เป็นโอกาสที่จะเดินทางไปเองเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น มีอีกทางเลือกหนึ่งหลอซีดีค่ะนะคะแล้วก็ไปฟังแล้วก็น้อมจิตอย่างที่ท่านได้เคยเดินทางแล้วก็อาจจะเกิดกุศลอย่างยิ่งค่ะโมทนาด้วยค่ ะ, ะเหลือใครหมดหรือยังเออเออเออเาเออใช่ๆ่เออลองฟังยมยมนกนะ ว่ายอมนอกเข้าไปเป็นการเธอเธ อ, อ, อได้ได้มีโอกาสไปวพวกเราในฐานะศึกษาพระธรรมแต่นี้ในกลุ่มหนึ่งที่เธอศึกษาพระธรรมไม่มากนะต้องถือไม่มากอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ให้บริการวพวกเราทั้งหลายที่มาเรียนพระธรรมกันเนี่ ย, ยลองมองว่าในทัศนะในมุมมองในความเข้าถึงของ ของเธอเนีว่าเธอจะมองแล้วก็เข้าใจอย่างไรเรามองก็จะได้เป็นข้อคิดว่าระหว่างที่เราศึกษาพระธรรมกับคนที่ศึกษาบ้างไม่ได้ศึกษาบ้างกับอย่างกลุ่มเราเราเนี่ยเราฟังเรื่องนี้แล้วเราจะได้มุมในการเจริญกุศลอย่างไรซึ่งจะเป็นประโยชน์นะสังเวชาญาณ น, นะ เออสังเวคาในองค์ธรรมสองตัวเป็นชื่อของปัญญากับวิริยะเรีาปัญญาเรเียวต่อไปให้ยํามนอกนะเรากล่าวน้มสักการ์พระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะ ก็ที่โยมได้ไปนะคะนมามัสการสังเวททั้งสี่เนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับชีวิตโยมนะคะที่ได้ไปสัมผัสสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จแล้วก็โปรดเวนยาศาสตร์ทุกทุกที่นะคะทุกที่ที่ท่านไปเนี่ยทุรกันดานแล้วก็ลำบากมากเลยแต่ท่านก็มุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้เราเนี่ยค่ะได้รู้ข้อธรรมที่ถูกต้อง <laughs> <laughs> แล้วก็ที่ได้ที่โยมได้ไปเนี่ยนะคะโยมก็ยอมยอมรับว่าครั้งแรกเนี่ยข้อมูลไม่มีเลยก็ได้แต่ได้ข้อมูลจากการที่ได้จัดงานอาสัรหะบูชาแล้วก็เห็นตามรูปภาพแล้วก็หนังสือ <c oughs> ก็คิด วันที่ไปก็คิดแต่ว่าเออเราจะได้ไปเห็นสถานที่จริงแล้วนะเราจะได้จัดงานอย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องคิดแค่นั้นจริงๆค่ะแต่พอไปถึงณนะวันแรกที่ขึ้นเขาคิชกูดก็ยังไม่เกิดศรัทธาขนาดนั้นคิดแต่ว่าพอขึ้นเขาก็อากาศดีจัง <laughs> วิวสวยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอขึ้นไปเจอพระคันทักกูดี ความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยไปเจอไปเจอชาวน่าจะเป็นต่างชาติอนะคะ่ะเนปาลหรืออะไรไม่แน่ใจทำพิธีสวดมนต์อยู่บนบุตรงนั้นจุดนั้นสวดสวดอย่างน้อมแล้วก็แบบศรัทธามากๆเลยโยมก็คิดว่านี่ขนาดทุกเชื้อชาติาศาสนาภาษาต่างกันวัฒนธรรมต่างกันแต่มุ่งมั่นไปที่เนี้ยด้วยด้ว ย, วยสิ่งเดียวกันก็นกคือ พระพุทธองค์อะค่ะด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเพื่อไปไปน้อมนมัสการน้อมบูชาโยมก็เลยคิดว่าโยมต้องตั้งใจใหม่แล้วล่ะที่มาคิดว่าจะมาแค่เนี้ยมันไม่ใช่ยิ่งไปได้ฟังข้อมูลที่ท่านหลวงท่านบรรยายที่ทําสุกราขาตาก็ยิ่งเกิดศรัทธายอย่างเต็มเปี่ยมว่าท่านลําบากเพื่อเราขนาดเนี้ยทําไมเราจะ เราจะทำปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนไม่ได้แล้วก็ทุกวันที่ไปท่านพระอาจารย์ก็ถามโยมว่าโยมนกถือศีลแปดหรื อ, อยัง <laughs> วันแรกโยมก็บอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปก่อนเจ้าคะ่ะขอไปศึกษาข้อมูลก่อน <laughs> ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างโยมก็ยังไม่ไม่สํานึกคะ่พะพอวันที่สอง เช้าขึ้นมาพระอาจารย์ก็ถามโยมว่าสินแปดหรือเปล่ายอมนกโยมก็บอกว่าโยมขอขอกลับไปก่อนค่ะโยมจะขอไปคิดดูว่าสินแปดมีอะไรบ้าง <laughs> <laughs> หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์ก็เมตตาให้ข้อมูลจนโยมเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้จะรออะไรอีกแล้วค่ะสินแปดไม่เห็นจะต้องลำบากยากเย็นอะไรเลย ก็เลยเดินเข้าไปบอกว่ะอาจารย์ว่าโยมถือศีลแปดแล้วนะเจ้าค่ะ <laughs> ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเพราะอะไรทําไมโยมก็บอกไปว่าโยมไม่มีเวลาแล้ว <laughs> จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ <laughs> แล้วก็ทั้งทังที่ก่อนหน้านี้คุณอิการก็บอกน้องว่าก่อนไปถือศีลแปดนะถือศีลแปดนะโ <laughs> <laughs> <laughs> ยมก็ได้แต่รับปากว่าค่ะค่ะแต่ไม่ได้ทํา แต่พอหลังจากได้ข้อมูลแล้วโยมคิดว่าการรับปากอะไรแบบพ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่มันไม่ดีก็เลยตั้งตัวตั้งใจใหม่ก็คิดว่าจะเริ่มทำสิ่งที่ดีทุกที่ที่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลุมพินีไม่ว่าจะเป็นพุทธคยากุสินารามันประทับใจประทับประทับนึกเห็นภาพได้ตลอดเวลาว่า สถานที่เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ 2,500 ปีที่มันผ่านมา mm. ก็เลยตั้งจิตว่าในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ย 2,500 ปีเนียไม่มีเราอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแต่นับต่อนี้ต่อไปโยมก็จะจะพยายามที่จะระลึกถึงพระองค์แล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนยิ่งที่ไปวัดปุปผาลามนะคะโยเห็นภาพเลยค่ะบ้านที่นางวิสาขาสร้าง สถานที่ประทับเขาใพระองค์สองชั้นชั้นละห้าอยห้องโยมเห็นภาพว่าถ้านางรู้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จมาเนี่ยนางคงจะต้องกุลีกุจอทําอะไรทุกอย่างอย่างปรณีตสวยงามที่สุดนางคงจะดีใจมากนางก็คงจะไม่แต่ต้อนรับแต่พระองค์พระ อ, อาคันตุ ก, กะทุกทุกรูปที่เสด็จมาเนี่ยนางก็คงจะยินดีเพราะฉะนั้นยมคิดว่าโยมสามารถทําได้ หมายถึงว่าถ้าในในปัจจุบันเนี้ยโยมก็ตั้งใจทำทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะคะให้ถวายแต่พระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์นะคะเป็นสาวกของพระพุทธองค์โยมก็คิดว่าโยมก็จะตั้งใจทําอย่างดีที่สุดตอนแรกโยมคิดว่ า, าสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ย มีความสำคัญใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกของโยมเปลี่ยนไปเช่นวันที่ไปกุศิาราวันแรกพอยมได้ฟังบรรยายฟังบทสวดโยมรู้สึกเสียใจเสียใจในการจากไปของพุทธองค์แต่พอวันที่สองที่ไปโยมกลับรู้สึกซาบซึ้งปิติว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เสด็จดับขันธปรินิพานแต่ท่านทิ้งทิ้งสิ่งที่มีค่าให้กับพวกเราไว้อะคะ่ะโยมรู้สึกอย่างนั้นจริงจรงว่า มันความรู้สึกเปลี่ยน <c oughs> แล้วก็ถ้าสิ่งที่ประทับใจตอนนี้นะคะถ้ายมอยู่เงียบๆอะ่ะผาประคันทกุดมีมันก็จะลอยมาละ <c oughs> โยมโยมก็จะเห็นการแห่การแห่การผ้าไตาจีวอนที่เราไปเครื่องหอมอามิสบูชาทั้งหลายดอกไม้ทูบเทียนทุกอย่างมันมันติดตาโยมอยู่ตลอดเวลาค่ะ แม้กระทั่งปฏิบัติบูชาที่พวกพวกเราทำสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยค่ะโยมก็รู้สึกมันนิ่งอะโยมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ที่ที่โยมได้รับแน่ๆแล้วคือโยมสามารถสวดมนต์ได้โดยไม่ต้องดูหนังสือค่ะโยมก็แปลกใจนั่งๆอยู่ก็เดี๋ยวนัดทิเมยขึ้นมาแล้ะแทนที่แบบเอ๊ะทำไมเราถึงนึกถสิ่งนี้โยมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็รู้สึกว่าเราคง เราคงเกิดสมาธิอะไรเงี้ยแต่ว่าโยมก็โยมก็ตั้งใจพอไปครั้งเนี้ยท่านพระอาจารย์ให้ปัญญากับโยมนะคะโยมก็เหลือความเพียรที่โยมจะต้องไปไปสอบหาแล้วก็ตั้งใจทำให้ได้ดีค่ะแล้วก็บุญคุณที่โยมจะ พูดถึงไม่ได้เลยโยมก็ขออ น, อนุโมทนาบุญให้คุณกิงการนะคะที่ให้ปัจใจสนับสนุนเดินทางกับโยมเพราะว่าถ้าลอยโยมเก็บเงินเองก็ไม่รู้เมื่อไหร่ <laughs> แต่ก็ตั้งใจนะคะว่าถ้ามีโอกาสชาตินี้สิ่งประเทศแรกที่จะนึกถึงจะต้องไปอีกครั้งก็คืออินเดียะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเลือกที่นี่ ทำไมต้องเลือกที่นี่โยมก็พอพอได้รับทราบข้อมูลอ๋อมันเกิดจากทุกอย่างเหมาะสมภูมิภูมิประเทศเหมาะสมประชากรเหมาะสมทุกอย่างก็เลยอ๋อมันทุกอย่างมันพอเหมาะพอโจก็เลยเป็นนี้ <laughs> โยมก็อยากให้อยากจะทอยากจะมาที่นี่บ่อยๆอะค่ะจะได้แบบเออนึกถึงพระองค์ได้ได้เห็นภาพอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ แล้วแล้วเวลาไปที่ประสูติคิดยังไงที่ประสูติเหรคะที่ลุมพินีเนี่ยโยมโยมเห็นเห็นภาพนะคะว่าการที่พระ อ, องค์จะมาประสูติเนี่ยนะคะทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมให้พระ อ, องค์อย่างอย่างดีที่สุดแม้กระทั่งมารดาใช่ไหมคะ ต้องต้องล้างพักันรอต้องทำทุกอย่างอะไรเงี้ยโย ม, มคิดว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยกำลังจะมาบังเกิดเนี่ยคะ่ะโยมเห็นภาพแบบนั้นแล้วโยมก็รู้สึกรู้สึกโชคดีมากๆนะคะที่ได้เดินทางกับคณะท่านพระอาจารย์เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมากซะจนโยมไม่มีเวลาคิดถึงอะไรเลยอะคะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่มีเวลาไปซื้อของไม่มีอะไรทั้งสิน้น ไม่มีเวลาที่จะโทรศัพท์กลับมาบ้านไม่มีค่ะยงยมก็คิดว่าหอยมเข้าใจแล้วล่ะที่คำว่าเวลาไม่พอไม่มีแล้วมันเป็นแบบเนี้ยค่ะอะ่แล้วแล้วไปคิดได้ยังไงว่ามมารดารางประคันประคอยก็ก็ข้อมูลพระอาจารย์บอกยงยมก็เลยนึกตามว่า <laughs> หยุยทำขนาดเนี้ยแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมแม้กระทั่ง พอหลังจากคลอดแล้วสะโบกขอรนีที่ท่านไปล้างระคันไปล้างตัวชำระร่างกายเงี้ยค่ะก็ตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างตรเตรียมมาอย่างดีพร้อม เ, อ เ, อเพื่อพระ อ, องค์ะอะค่ะค่ะและที่ที่ตัสโรเราคิดอย่งไงที่ตัสรเหรอคะที่พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพยมโยมมีความรู้สึกว่า โยมไปที่นี่นะคะเหมือนพ่อรอลูกอะคะ่ะเหมือนเหมือนเราเป็นลูกที่แบบว่ารอรอให้เรามาหาแล้วพอมาถึงเนี่ยพระพักท่านเมตตามากเมตตาพร้อมที่จะให้อภัยเราไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราจะผิดพลาดอะไรมาท่านพร้อมแล้วก็รอเราอยู่ตรงนี้อะคะ่ะแล้วทําให้โยมคิดถึงโยมคิดถึงบทที่ท่านพระอนุนนะคะบอกว่าวันที่ท่านจะเสด็จดับคันทัพอริญญาพานถามว่า สิทธ์จะเจอท่านพระอาจารย์ได้ที่ไหนอะไรเงี้ยท่านยังเมตตาบอกว่าจะมาเจอเราได้ที่ ท, ทั้งสังเวททั้งสี่นี้และที่เนี่ยนะคะและที่เนี่ยมันก็เหมือนท่านรอเราอยู่จริงๆเงี้ยค่ะพระพักท่านเมตตามากๆเลยขณะที่โยมก็นั่งแล้วก็มองแล้วยอมก็อธิษฐานตอนแรกโยมก็เข้าใจว่าอธิษฐานในการขอเนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกันแต่ฟังพระอาจารย์พูดการขอมันไม่ใช่อธิษฐานมันคืออีกแบบหนึง่ง โยมก็เลยเริ่มทำเลยค่ะอธิษฐานว่าถ้าโยมมีบุญโยมขอให้ได้ใบโพล่วงลงมา <laughs> กลับไปบูชาแล้วก็ได้จริงๆค่ะมันก็ล่วงลงมาข้างหน้าตากโยมโ <laughs> ยมก็เลยปฏิบัติทันทีเลยค่ะค่ <laughs> <laughs> ะอ๋อแลที่แสดงธรรมจักที่แสดงธรรมจักที่สารนาฏที่สารนาฏโยมนะคะโยมรู้สึกอย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกว่า อย่าไปคิดว่าสร้างเสร็จแล้วมีแค่นี้ต้องให้นึกไปถึงว่าอิฐทุกก้อนอะ่ะกว่าจะมาประกอบจะมาเลียงเนี่ยมันเกิดจากใจเกิดจากฝีมือคนทำเกิดจากความตั้งใจเพราะฉะนั้นเราต้องสรรเสริญเราต้องนึกถึงบุญคุณสิ่งที่เขาทำแบบนี้มมโยมก็เลยคิดว่าโอ๊ยมันมันยิ่งใหญ่มากๆเลยทาพระพุทธองค์ทาได้ยังไงให้ทุกคนเนี่ยจิตมุ่งไปที่พระองค์อย่างเดียวเียค่ะมมคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากๆ ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วที่วัเชตวันเลยที่วัดเชตวันเหรอคะท่านบ้านท่านอนาถายมมาคิดว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยนะคะไปเหยียบย่มรอยเท้าของพระ อ, องค์เพราะว่าท่านอนาถาเนี่ย ทำทุกอย่างเพื่อพระองค์พื้นดินเนี่ยมันปูราดด้วยทองคํานณะวันนี้เราเดินมาเหยียบย่ำสถานที่ตรงเนี้โยมก็ขอขมาแล้วโยมก็เดินเข้าไปในขณะที่เดินเข้าไปเนี่ยโยมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ท่านอนาาถาเนี่ยกับท่านเชษต์อะคะ่ะท่านท่านถวายพื้นดินแห่งนี้ก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราทําอะไรได้เราก็ควรจะทำอะคะ่ะ อันนี้นี่ว่าไงนี่นี่ขนาดข้อมูลไม่ค่อยมีแล้วฟังก็เยอะเลยนี่ก็ก็ฟังจ้าแล้วดราด<อ>าทำไมไม่พูดได้แบบนี้บ้างเงาเร่อยเรื่อยังมา่าว่าไงนี่ ตใต่ป่ะ อ, อืมอ่ า, า, า, า, าอออปัญญากับความเพียร เป็นเป็นยานปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วสะดุ้งสะเทือน <Okay. S 1> กลัวต่อภัยกลัวต่อภัยแตตรงนี้ตรงนี้ที่ถามถามโยมนกทำให้ทให้ได้มุมมองไนดะ้มุมคิดก็คือว่าคือจากการที่จากการทีท่ทั้งทั้งที่ไปในข้อมูลก็ไม่ไม่ค่อยมาก แต่พอไปแล้วเนี่ยความตั้งใจตั้งใจที่จะฟังพอได้ข้อมูลแล้วก็ไปปรุงแต่งจิตนะให้เป็นไปกับกุศลแล้วก็พอปรุงแต่งจิตปรุงความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นน ะ, ะโดยเฉพาะปรุงศรัทธาปรุงวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมชาติของเจตนาเนยะเป็นตัวกระตุน้น ช, ชักนำํำทำเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เรียกว่า เอเก็บข้อมูลเดียวนั้นก็เล่งใช้เดียวนั้นได้ <S <S <S <S เจร่งใช้เดียวนั้นได้เ น, นี่ยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถึงบอกว่าธรรมะที่ศึกษาทั้งหมดนั้นเน่ยเป้าหมายคือทําให้เกิดได้จริงอย่างนั้นทําให้เกิดได้จริงไม่ใช่ศึกษาแล้วทิ้งนะแต่ศึกษาเพื่อให้ใช้ได้เพราะเป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าบอกหลักการการปฏิบัติ ถาว่าที่ที่ข้อคิดหรือคือมุมมองหรือข้อคิดทั้งหมดเหล่านี้อย่างนี้อายอมที่เขาเรียกว่าปฏิบัติในหลวงปฏิบัติคือมันเกิดขึ้นมาแบบนี้แต่ในสังคมไทยเราปฏิบัติคือนั่งหลับตายไงมันเลยพลาดไปมันเลยแคบมากแค่ปฏิบัติคือมันต้องเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นได้ดีอย่างนี้จริงๆปฏิบัติคือเป็นลักษณะยนี้ใน ต, ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเก็บทั้งๆั้ที่เธอยัง แยกแยะรายละเอียดไม่ชัดแต่อาศัยว่ากลุ่มการยานมิตรทั้งหลายก็ระดมช่วยข้อมูลกันและเธอก็ปรุงแต่งจิตและอัธยาศัยจากการเห็นการฟังเก่าๆมาบ้างก็มูวกันกเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้ปรุงแต่งได้แต่ตรงนั้นก็ต้องต้องพยายามทังบอกว่าในชั้นของคําสอนเราจะเห็นได้ว่า ในการกระตุ้นเตือนชักนำสมยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรถ้าเราดมบูชาทั้งหลายเนี่ยที่น้อมบูชาซึ่งอมิสบูชาอมิสบูชาที่เราน้อมน้อมไปทั้งหมดนีเน่เป้าหมายเพื่อจะทำธรรมบูชาให้เกิดขึ้นทีนี้ธรรมบูชาที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากว่าทำจิตนั้นให้เกิดความปราโมดปีติปัสสธิความสุขไม่พอสมนัสไม่ใช่แค่อยู่แค่นั้นนะ แต่ต้องสามารถปรุงแต่งสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นมาเขาถึงใช้คำว่าประดับจิตปรุงแต่งจิตในชั้นของคำสอนไม่ว่าจะในชั้นของออในด้านของทานสูตรเป็นต้นเหล่านี้ถ้าลำดับของคำสอนเนี่ยท่านจะไล่ให้ดูเลยว่าบูชาอย่างไรบูชานี่ชั้นของการบูชาเนี่ยในชั้นของ ก, กายกรรมใช่ไหม กายกรรมที iar, ่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลที่เน้นการบูชาอย่างไรกายกรรมที่เป็นศีลกุศลวจีกรรมที่เป็นศีลกุศลมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลที่จะเป็นบูชาอย่างไรกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลวจีกรรมที่เป็นภาวนากุศลมโนกรรมที่เป็นภาวนากุศลที่จะน้อมบูชาอย่างไรตรงเนี้มันรายละเอียดนี่คือพูดในหลักของชั้นคําสอน แต่ในชั้นของการเข้าถึงจริงๆก็คือเราจะต้องเดินให้เกิดขึ้นมาได้ในชั้นแรกเราอาจจะยังไม่ได้แยกรายละเอียดแต่เมื่อเราศึกษาฟังคําสอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนักเข้านักเข้าเนี่ยจะไปแยกรายละเอียดได้ชัดขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นมาได้ชัดขึ้นในขณะที่เราได้น้อมแล้วก็บูชาแล้วก็ขัดเก่าทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายคือปรุงแต่งจิตประดับจิตเพื่อให้เกิดสมาธิและวิปัสสนา แล้วเพื่อเป็นปัจจัยแก่อนุปาทาปรินิพานเนะี่ยเพื่อเป็นปัจจัยแกการดับกิเลสและขันห้าเนยเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะระดมกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นก็จะจะไม่ค่อยได้ประโยชน์มันก็จะได้เพียงแค่ในสุดมึงจะกลับมาใหม่นะถ้าเราปรุงแต่งจิตได้แค่สุขโสมนัสอย่างเดียวได้แค่ปีติอย่างเดียวเนี่ยที่จริงมันจะกลับมาใหม่มันจะกลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกเน คำว่าเป็นมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกก็หมายความว่าบางกลุ่มพลาดก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางกลุ่มก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางกลุ่มก็เป็นเปรตรอสุรกายหรือเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาเริ่มทําใหม่เริ่มมาแบกตาหูจมูกเล่นกายใจใหม่อีกเขาปรุงแต่งจิตประดับจิตไปได้ไม่ถึงที่สุดไปได้แค่สุขโสมนัสได้แค่ปีติเอาไปอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งพอสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ตกมาอีก ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกก็หมายความอาจจะไปลงอบายภูมิแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อีกเหนื่อยไหมแบบเนี้ย ใ, ในสังสารวัตรที่ผ่านมามันเป็นแบบเนี้ยเราไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีใช่ไหมเราถึงไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีทีนี้พอเรารู้เส้นทางที่ชัดเจนแล้วบอกว่าเราจะไม่วิ่งกลับมาใหม่แล้วเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยไหมต้องมานั่งเรียนใหม่เหนื่อยไหมพระธรรมต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมาเรียนใหม่แล้วก็ตั้งอัจฉริยะใส่ผิดผิดด้วยนะ เพราะเราตั้งผิดมานี่มันก็จะตั้งผิดใหม่ใช่เหลือใครตวเนี้ยอาเหลือประธานชมลมก็พ <c oughs> <อ>ูดในฐานะไม่ไปไงใช่ไหมไม่ไปดีใช่ไหมว <c oughs> ่ในฐานะที่เออคิดยังไงใชมถึงปรารถนาให้พระได้ไปอุบาสกบาสิกาได้ไปหรือคนที่เกี่ยวข้องได้ไปและที่เคยไปยก็คิดยังไงอย่างนีง้ใช่ไหม จะได้จะได้รู้มุมมองกาบราชการอ า, าจารย์ทั้งสองรูปนะจ๊ะคะแล้วก็เพื่อนๆ พ, พูดในฐานะที่ไม่ได้ไม่ได้ไปแต่ใครไปนะคะก็เมื่อกี้ฟังที่นอกพูดะนะคะก็ะจะบอกมีความรู้สึกจากเริ่มต้นของการไปครั้งแรกก็คือผู้ที่ไม่ได้เรียนเหมือนกันน่นะคะจะเห็นว่าความที่เป็นผู้ที่ไม่ได้เรียน แต่มีความตั้งมั่นเนี่ยประโยชน์สิ่งที่จะให้เกิดขึ้นศรัทธานี่ก็สร้างขึ้นได้อย่างมหาสาลเพราะว่ามันเหมือนกับการที่ออกมาจากไอ้ความที่ความตั้งใจที่มีมากเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีสิ่งอื่นที่ต้องม า, าให้เราปรุงแต่งกันมันเป็นอะไรของเรารน้วนๆน่นะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะครั<ช>้ง<ช>แรกที่ไปเนี่ยเป็นปี2000ที่คนไม่ค่อยไปกันประกาศที่หนึ่งก็เลยทาให้ การเดินทางเนี่ยเจออะไรต่างๆที่ค่อนข้างสะดวกะนะคะข้อที่1ข้อที่สองก็ไปกันเพียง5คนไม่ต้องเร่งรีบะนะคะแล้วข้อที่สก่อนไปคือเจอวิกฤตตอนเรื่องของต้มยำกุ้งนะค ะ, ะเป็นประการที่ช่วยผลักดันให้การไปครั้งนี้ได้ประโยชน์มหาศาลข้อที่4ก่อนไปเนี่ย ได้เรียกว่าอ่านหนังสือมหากุณาของพระพุทธเจ้าที่สมเด็จพระสังฆราชเขียนเนี่ยเป็นหนังสือที่ให้ความประทับใจมากๆทําให้ระาึกถึงพระพุทธองค์ได้มากๆเลยนะคะซึ่งเอาไปอ่านในห้องกรรมฐานที่เขาห้ามอ่านแต่คนชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วก็เรียกว่าคิดถึงแต่พระพุทธเจ้านะคะน้ำตาไหลยอยู่เรียกว่าในห้องกรรมฐานเยอะแยะมากเลยคําคนึงแต่อาจจะจำได้ไม่ถี่ถ้วนนะคะ ที่กล่าวว่าทรงสละจากสถานภาพจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปสู่ความเป็นผู้ขอ